วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพศ2539มีการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจะสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตย์ธาชนที่เคารพพระสูตรวันนี้จะอธิบายสูตร 4.8 มีชื่อว่าปฐมเจตนาสูตร ซึ่งเป็นเอกสารที่แจกเมื่อคาาที่แล้วนะค้าที่แล้วได้แจกไปสองสูตรแต่อธิบายไปได้สูตรเดียวเข้าใจว่าวันนี้คงจะพูดได้เพียงสูตรเดียว 4.9 และ 4.10 คงจะต้องยกยอดไปเป็นข่าวหน้าสูตรที่ชื่อปฐมเจตนาสูตรนั้นก็คือเรื่องเจตนาสูตรที่หนึ่งว่าด้วยอำนาจแห่งความจงใจด้วยความในพระสูตร มีโดยลำดับว่าพระผู้มีประภาคประทัก์อยู่นะพระเชตวันอารามท่านานานทามธิกาเศรฐีกุุสาวัถีพระผู้มีพภาพได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความจงใจ <c oughs> ภิกษุย่อมจงใจย่อมดำริและคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่ ห่งวิญญาณเมื่อมีอารามณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งมั่นแล้วจะเดินขึ้นแล้วความบังเกิดคือพบใหม่ต่อไปจึงมีเมื่อมีความบังเกิดคือพบใหม่ต่อไปชาติชลาและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตจึงมีต่อไปความเกิด ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เราอธิบายจะเฉพาะในส่วนนี้กันก่อนเราจะเห็นว่าพระผู้มีภาคได้ทรงตรัสถึงอำนาจของความจงใจที่ตรัสในคำแรกว่าความจงใจและคำหลังคือดําริและคำสุดท้ายก็คือคุณนคิดทั้งสามคำนี้ โดยเนื้อความสรุปแล้วก็คือกรรมกิเลสและวิบากในนี้ผมอธิบายตามบทกถาคำว่าจงใจเนี่ยเป็นชื่อของกรรมกรรมที่เป็นวัตกรรมกรรมในกรรมภูมิสามไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมาวาจจรกรรมทั้งกุศลและอกุศลรูปาวาจรกรรมอรูปาวาจรกรรมเบนแต่โลกุตละกุศลเท่านั้น ่ส่วนนี้เป็นส่วนของกรรมกึก ค, คาว่าจงใจส่วนที่สองที่เรียกว่า ด, ำ ด, ำดำําดัมลีนั้นท่านหมายเอากิเลสกิเลสส่วนที่สามคือวิคือวิบากก็จําง่ายๆว่ากรรมกิเลสและวิบากเหตุใดจึงทรงตรัสว่าบุคภิกษุย่ำจงใจดําริ และคุณคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณคำว่าคิดถึงสิ่งใดถึงสิ่งใดเนี่ยเป็นความคิดของใครหรือเป็นอารมณ์ของใครอั่พูว่าเป็นอารมณ์ของใครเราก็จะตอบได้ว่าเป็นอารมณ์ของกรรมกรรมเนี่ยเวลาทำกรรมก็มีอารมณ์ไปดี่ดำเป็นอารมณ์ของกิเลส เวลาบุคคลเกิดกิเลสกิเลสนั้นก็มีอารมณ์เป็นที่เกิดไม่ว่าจะเป็นกิเลสคือโลภะตัณหาทิฏฐิก็จะมีอารมณ์เป็นที่เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายหลายอย่างวิบากคือวิบากจิตเมื่อเกิดวิบากก็มีอารมณ์เวลาที่เราเจ็บปวดทางร่างกายความรู้สึกเจ็บปวดเป็นกายวิญญาณจิตเป็นวิบาก โพธารมณ์อันไม่ดีเรืออนิ tha โพธารมม์มากระทบกายปาระสาทเป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณ น, นั้นเป็นอารมณ์ของวิบากเพราะฉะนั้นกรรมก็มีอารมณ์กิเลสก็มีอารมณ์วิบากก็มีอารมณ์เป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดท่านจึงได้กล่าวว่าเป็นอา ร, รมณปัจจัยทีนี้ ข้อความหลังที่บอกว่าเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณตรงนี้คืออะไระพระสูตรนี้มีความค่อนข้าง ใ, ใจต้องกล่าวได้ไวยากสักหน่อยก็อาจจะต้องกำหนดองค์ธรรมกันไปก่อนว่าคำว่าวิญญาณในที่นี้ท่านหมายถึงกรรมวิญญาณไม่ใช่วิบากวิญญาณวิบากวิญญาณหมายถึงวิญญาณที่เป็นผลแต่กรรมวิญญาณตรงนี้หมายถึง ัวจิตที่เกิดกับอกุศลหรือเป็นอกุศลแลจิตหรือเป็นกุศลละจิตในระดับต่างๆเรียกว่าเป็นวิญญาณตามพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสในทีน่นี้อันนี้ก็มีปัญหาว่าจะไปซ้ำซ้อนกับคำว่าจงใจที่กล่าวในทีแรกหรือไม่ก็ตอบว่ามันไม่ถึงกับซ้ำซ้อนอตรงนี้ ถ้าจะทำให้เห็นชัดว่าไม่ซ้ำซ้อนอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเป็นสภาวะพระวิธรรมค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็เอาอย่างนี้นะฮะว่าผมกำลังจะอธิบายให้เห็นโดยปากเป่ามองหาแผ่นใยไม่เจอก็คือไอตัว กรรตัวกิเลส ต, ตัววิบากเนี่ยเขามีอารมณ์ของเขาอยู่แล้วคนจะทำบุญทำบาปโดยไม่มีอารมณ์อะไรเป็นที่ทำไม่ได้จะโกรธโลยไม่รู้ว่าโกรธอะไรไม่ไม่ได้จะโลภโดยไม่รู้ว่าโลภอะไรไม่ได้และจะเกิดกิเลกก็เช่นเดียวกันหรือจะชดใช้กรรมกรรมวิบากิดเนี่ยก็ต้องมีอารมณ์ทั้งนั้น เฉนั้นอารมณ์เนี่ยจึงเป็นอารมณ์ของกรรมกิเลสและวิบากอันหนึ่งและกรรมก็ดีกิเลสก็ดีวิบากก็ดีเป็นอารมณ์ให้กับวิญญาณอีกทีหนึ่งด้วยก็คือกรรมกิเลสวิบากจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยอํานาจอารมณ์และตัวเองก็เป็นอารมณ์ให้กับวิญญาณ ต่อเนื่งองกันไปที่นีไอ้วิญญาณตัว น, นี้เมื่อท่านบอกว่ามันเป็นกรรมก็กลายมาเป็นกรรมขึ้นมาอีกก็เลยได้ความว่า <c oughs> กรรมที่เราทำแล้วเราปลารลบขึ้นในภายหลังเป็นกรรมอีกส่วนหนึ่งเป็นกรรมใหม่กรรมอีกแผนกหนึ่งก็อย่างถ้าเรานึกถึงเรื่องของอัปปะเจตนา คือ เ, เจตนากรรมที่เราได้ทำไว้เมื่อการครั้งก่อนแล้วก็นึกถึงกรรมนั้นด้วยจิตใหม่ก็เป็นกรรมเหมือนกันคนที่ใกล้จะตายระลึกถึงกรรมที่ได้ทำไว้เป็นกรรมมาอารมณ์กรรมนิพพ็นอารมณ์เนี่นะไอตัวกรรมที่ถูกนึกถึงเนี่ยตอนจะทำกรรมมันก็มีอารมณ์ของมัน เวลาใกล้จะตายก็นึกถึงตัวกรรมนั้นกรรมนั้นเลยกลายเป็นอารมณ์ของกรรมตอนใกล้ตายก็เลยหลักตัวนี้ได้ความว่ากรรมเองมีอารมณ์กรรมเองก็เป็นอารมณ์ให้กับกรรมใหม่นะทีนี้มาพูดถึงกิเลสกิเล ส, ก เ, ลสเกิดขึ้นก็มีอารมณ์เป็นของตัวเอง และเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่อาศัยของกรรมอีกคือไอ้กรรมที่ท่านเรียกว่าวิญญาณเนี่ยกระทำกับกรรมกรรมเกิดกับกรรมกรรมเกิดกับกิเลสและกรรมเกิดจากวิบากมาพันพัวหน่อยในนี้อธิบายไอ้กรรมเกิดจากกรรมเนี่ยยกยกตัวอย่างพอเห็นตรงเมื่อกี้นะฮะ ถ้าถ้ายกตัวอย่างกรณีปฏิบัติธรรมต่อค้องก็สติปัฏฐานก็คือที่ท่านกล่าวว่าสติก็เป็นสติสติปัฏฐานก็เป็นสติปัฏฐานวิปัสนามีวิปัส น, นาเป็นอารมณ์ไอ้วิปัสนาที่ถูกกาหนดให้เป็นอารมณ์ก็มีอารมณ์ของมันก็คือมันเป็นเรื่องของกรรมทับซ้อนกันนะนะกรรมทับซ้อนต่า กรรมแรกมีอารมณ์เป็นของตัวกรรมหลังเป็นอารมณ์ของกรรมหลังกรรมหลังๆก็เป็นอารมณ์ของกรรมหลังๆกรรมเป็นที่อาศัยเกิดกรรมเป็นที่อาศัยทํากรรมยิ่งพอชั้นมากเท่าไหร่กรรมก็เหนียวแน่นรุนแรงมากขึ้นตอนนั้นเป็นถ้าเป็นการปฏิบัติเรียวเป็นความเข้าถึงเป็นความแทงตลอดแทงตลอดแม่นในยานแม่ในายานแม่ในายานที่แทงตลอดแล้วแล้วแล้ว เออก็เป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเราทํากรรมกับกิเลสอย่างกรณีคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เห็นชัดความจริงในะกิเลสเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของกรรมแต่ว่าท่านแยกออกมาเพราะว่าเอาเวลาคนทําบาปเนี่ยมันมีพลังสองอย่างในคราวเดียวกันพลังหนึ่งคือพลังในแง่กรรม พลังอีกอย่างหนึ่งคือพลังกิเลสพลังความชั่วมีสองอย่างนี้เพราะนั้นท่านถึงแยกในแง่กอนตั้งๆันอย่างนี้ไว้เป็นสองส่วนคนที่ทำวิปัสสนาเนี่ยถามว่าใหม่ๆเนี่ยเราก็ว่าจับนามจับรูปเนี่ยมันเหมือนกับมีความเป็นอารมณ์ค่อนข้างจะเหมือนจะไม่ได้นึกถึงคุณค่าอะไรหรอกพอทาไปทำไป ได้สติก็รู้ว่าตัวเองมีสติได้ความเพี่ยนก็รู้ว่าตัวเองมีความเพียนได้สรรมจัญญาก็รู้ว่าตัวเองมีสรรมจัญญาได้ศีลความสำรวมในอินทรีย์ดีตัวเองก็รู้ว่าได้ความสำรวมในอินทรีย์ดีออย่างนี้นะสงเคราะห์ว่าเป็นกรรมอุปสนกรรมเกิดกับอุศสนกรรมนะตอนนี้เวลาคนปฏิบัติเนี่ย ความรู้กุศลธรรมกับความรู้ อ, อ ก, กุศลธรรมนั้นเป็นของไปได้วยกันไปได้วยกันหมายความว่าคนจะมารู้แต่กุศลกรรมอย่างเดียวไม่ได้จะรู้กิเลสด้วยจะรู้กิเลสด้วยว่าเรามีความชั่วอะไรเราเป็นอย่างไรที่เราพูดกันในช่วงแรกว่าการกำหนดค่าการรู้เท่าทันละเอียดเราออกมามันถึงเกิดการละได้เพราะอย่างนี้เพราะหลักศาสนานั้น ไม่ใช่ละได้โดยไม่รู้จะละได้โดยการกาหนดรู้เท่าตามกิเลสอย่างแยกยนต์เมื่อวิปัสสนามีฐานะเป็นภาวนากรรมนะกาหนดรู้กิเลสเอากิเลสเป็นอารมณ์ก็คืออุสลกรรมเกิดกับกิเลสมีกิเลสเ ป, เป็นอารมณ์มีความชั่วเป็นอารมณ์ อันนี้ผมผมยกวิญญาณยืนในแง่กุศลกรรมอย่างเดียวความจริงความวิญญาณเป็นอกุศลกรรมด้วยก็ได้เดี๋ยวจะยกในแง่นั้นอีกทีหนึง่งอันนี้ยกไปถึงอีกมุมหนึ่งกุศลกรรมคือวิญญาณปลาลบอวิบากเป็นอารมณ์คนละยืนในเรื่องภาวนาไม่ได้ตลอดเลยว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแจ่มแจ้งในวิบากไหม แจมแจ้แจเวลาเราเกิดความสุขความทุกข์รวมทั้งไอ้วิบากอะไรที่เป็นวิบากใหญ่ๆแล้วก็รวมทั้งวิบากเล็กๆวิบากน้อยๆที่สอดแทรกเข้ามาเนี่ยภาวนาจะช่วยเอาเป็นอารมณ์กำหนดรู้หมดว่านี่มันเป็นวิบากของเราที่ได้ทำไวจะรู้ชัดมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่เตอรู้ชัดได้ทั้งนั้นและต้องการจะพูดเน้นว่า คนทาวิปัสนาจะเกี่ยวกับกรรมกิเลสและวิบากอย่างนี้นี่นี่กุศลนะฮะกุศลขั้นภาวนาคราว น, นี้พอเราพูดถึงกุศลขั้นภาวนานั่นแหละวิญญาณที่เป็นกรรมฝ่ายกุศลขั้นภาวนานี้ไปแล้วนะอันนี้มาพูดในบรรยากาศภาวนาว่าไอ้ที่เราพูดมาเมื่อกี้นะว่าพูดในข้างว่า ตัวกุศลวิญญาณในระดับภาวนาเอาประโยชน์จากการหน่วงเอากรรมกิเลสวิบักเป็นอารมณ์กำหนดรู้ถามว่าในขณะที่คนทำวิปัสสนาทำภาวนาอยู่อากุศลเกิดแทรกได้หรือไม่ตอบว่าแทรกได้และถามว่าการแทรกเข้ามาเนี่ยมันแทรกโดยไปเล่นกับอะไร ตอบว่ามันก็ไปเล่นกับกรรมไปเล่นกับกิเลสไปเล่นกับวิบากนะที่ไปเล่นกับกรรมเนี่ยก็คือไปเล่นกับภาวนากรรมไอ้เมื่อกี้พูดเอาเป็นตัวตั้งเมื่อกี้ก็ได้หรือไปเล่นกับกุศลกรรมที่เราได้ทํามาแล้วเมื่อก่อนก็ได้ปลาลบถึงกรรมในอดีตใช่ไหมฮะเวลาเราทํำวิปัสสนาความชั่วในอดีตเคยทํานึกได้ความดีในอดีตเคยทําเนี่ย มันลังมาหมดเลยลังเป็นระบบออกมาหมดเลยมันถึงหมดอันนี้นะแทนที่จะนึกถึงกุศ ล, ลกรรมเก่าด้วยกุศลกลายเป็นวิจิเลตมันนึกเพราะอย่าลืมวาจิเลตเนี่ยเขาพยายามหาช่องอย่างเต็มที่ครับตลอดเวลาไม่เคยลดละเวลาเราทำเนี่ยเราทำด้วยบุปผาเจตนาเพื่อเป็นประโยชน์แกกุศลนะ แต่ก็ได้เคยบอกเป็นข้อสังเกตแล้วว่าอากุศลเนี่ยเขาเป็นประเภทหาช่องประเภทหาช่องตลอดเวลาสวมลอยตลอดเวลาฉวยโอกาสผสมลงตลอดเวลาอันนั้นก็อันหนึ่งคราวนี้อีกอันหนึ่งคืออากุศลกรรมปลารบกิเลสอ่ตรงนี้ก็ไม่ยากอะไรหรอกว่า เวลาที่เราเกิดการกําหนดรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วปลาลบด้วยกิเลสมันมีมันมีแล้วเราเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นอย่างนี้คื อ, อบางอย่างเราก็นึกถึงกิเลสแล้วก็แทนที่จะได้สตินะแทนที่จะได้สติว่าเอออันนี้มันไม่ถูกนะมันกลับเกิดโมโหขึ้นมาก็มีเกิดความโลภขึ้นมาก็มี เกิดความที่จะออกไปทําโอกาสนั้นให้สําเร็จด้วยความประสงค์ของอกิเลสก็มีใช่ไม่ใช่มันมีอยู่อย่างนี้จริ ง, รงๆทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะถ้าเราลองปล่อยมันเนี่ยเราจะเห็นมันแสดงตัวเลยแสดงตัวในเรื่องเรื่องยิเลสอ่ะไอ้ตัวถ้าเราพูดถึงไอ้วิญญาณมันคิดอ่านวางแผนเพื่อสนองความประสงค์กิเลส ที่เรานึกที่เรารู้สึกที่เราสั่งสมไว้ที่เป็นาภารกิจการงานอะไรความมุ่งหวังในอนาคตอะไรที่เรามีอยู่ก่อนการปฏิบัติเนี่ยไอตัวไอความคิดที่มันเป็นกรรมนันมันจะเป็นตัวคิดเว่ามันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้บรรลุความสาเร็จมันก็วางแผนตัมนองไปสู้วางแผน แต่ว่ามันไม่ถูกในข้อที่ว่ามันกลายเป็นกิเลสแทรกเข้ามานี่นี่เป็นจุดหนึ่งยกตัวอย่างกรณีนี้ครานี้ในแง่ของวิบากวิบากที่เราได้จะเป็นวิบากในเรื่องอะไรก็ตามเมื่อเราปลาลบถึงความสําเร็จที่เราได้ดีและได้ชั่วด้วยจิตที่เป็นอกุศล เราก็จะนึกถึงความสำเร็จนั้นอย่างทำให้เสียหายทำให้เสียหายนี่ก็คือว่าเป็นกุศลวีบากเราก็นึกทาให้เสียหายนึกยินดียินร้ายนึกอชอบไม่ชอบนึกจะทำอย่างนุน้นอย่างนี้กลายเป็นเรื่องที่นึกเอามาเป็นประโยชน์แก่กิเลสทั้งหมดแล้วก็อากุศลวีบากเรานึกด้วยด้วยอากุศ ล, ลกรรมก็นึกเป็นประโยชน ของกิเลสทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าถ้ายินญานของเราเป็นอาุูส ล, ละกรมแลเนี่ยมันนึกกลายเป็นเรื่องเสียไปทั้งหมดเพราะอย่างเช่นว่าบางครั้งบางคนก็นึกว่าเอ๊เราเนี่ยนะตำแหน่งเราก็ใหญ่การศึกษาเราก็ดีแล้วทำไมจะต้องมายอมรับฟังแม่ีว้นอกคนนี้ ทีมมาเที่ยวกะเกณฑ์สั่งสอนเราอย่างงีอย่างนี้ธรรมะเราก็พอรู้นักธรรมเอกเราก็เคยสอบแม่ทีนี่ไม่รู้สักอย่างเดียวทางทางโลกทางตามสู้เราไม่ได้ตําแหน่งหน้าที่เอ๊ะทําไมเราจะต้องมาเชื่อมันก็คิดคิดเป็นเป็นลักษณะที่มันเป็นประโยชน์กับกิเลสมันอดคิดไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยบางคนก็มาบอกเลยแหมในชั้น ท่านไปเสียทางแล้วคือท่านนึกขุดขึ้นมานี่ไม่ใช่เฉพาะแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์นะจะเล่นเจ้าสำ น, นักเลยไมมาเล่าให้ผมฟังนี่พอสลด อ, ออกวันนั้นออกมาสดสดเลยอย่างอย่างยางโสงมชุดอยู่เลยนะมาถึงบอกฉันเนี่ยไอตอนฮึดมันก็ไม่ไม่รู้สึกนะแต่มารู้สึกตอนออกมาเนี่ยมองโอ้โหนี่สงสัยจะเป็นบาป ท, ทำไงดีเรืย่ยงอะไรจะให้กันทังมั ไปฮึดนี่ก็ไม่ไดไ ป, ไปถึงก็ไปลงมือทําอะไรแต่ว่าความรู้สึกนี่มันมีอาการต่อต้านอย่างที่ไม่ได้ถึงก็เป็นการก้าวล่วงดุจริตอะไรออกมาก็ต้องแนะนําให้ขอสมาหันหน้าไปทางวัดนะขอสมาไปว่าสิ่งที่เรารู้สึกเราคึดเราฮัตนะอย่าได้เป็นเวรกรรมขวางกั้นการปฏิบัติธรรมของเรา อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะทั้งดีทั้งชั่วมันออกประเภทที่บางทีนะรู้แล้วเหมือนคนคุ้มดีคุ้มลายนะเหมือนอย่างนั้นจริงๆนะคุ้มดีคุ้มลายและไอ้รายบางอย่างเนะี่ยอยู่ข้างนอกไม่เคยร้ายอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะแต่พอไปอยู่ที่นั่นแล้วทำไมมันคิดล้ายอย่างนั้นขึ้นมาได้เรากเ็เลยที่จริงเราก็พออธิบายทนาะงหลังแล้วอ๋อนี่คือไอ ไอ้เรื่องการเปิดหน้ากิเลสเนี่ยเคยกิเลสเขาก็อยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครมาเกลียวจ้ารบกวนนี่นะคล้ายๆกันอย่างนั้นแล้วอยู่ๆเรามาทํากรรมฐานมาเหมือนไปทำเกลียวจ้าลบกวนเขาคนที่เอาแต่ใจตัวเองคนหนึ่งนุ่งกางเกงแพลนอนอยู่ในห้องสบายๆหลังกระเสียนอะไรเงี้ยนะคล้ายๆอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นพอไปกระทบเขาด้วยธรรมะเข้าไปกระทบเนี่ยเขาขึ้นนัดขึ้นมา ซึงเราก็รู้แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราเราวังไม่ดีธรรมะก็เสียหายถ้าเราเราวังดีเราก็จะแก้ไขความรู้สึกฝ่ายตามที่มันซ่อนเล่นอยู่ในหัวใจเราได้เราเนี่ยเหมือนไอ้คอมพิวเตอร์แห่งความดีความชั่วมันไม่ได้กดมันก็ไม่ออกนะเนี่ยลองไปขึ้ น, นกกที่ใช้ก๊อกจี้ถูกจุดนะพอกดออกมาแล้วมันระเบิดออกมา คือผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็โดยหลักก็เป็นอย่างนั้นนั่งๆั่ง น, นี่ไม่รู้เอาง่ายๆว่าแค่เข้าวัดนี่ก็แบบนึงนะพอกลับถึงบ้านก็ไม่รู้ว่าตัวใครตัวมันนะไม่รู้จะระเบิดออกมากี่ลูกบงังนั่นคือความจริงของเราที่เราบอกว่าดูคนที่นี่เวลานี้นะยังเลือกน้อยไปต้องดูคนที่นั่นในเวลานั้น ดูตัวเองที่นั่นในเวลานั้นนั่นละคือของจริงถึ่งว่าอย่างบางคนปวดหัวเนี่ยบางคนปวดเพราะกรรมบางคนปวดเพราะกิเลสก็มีแค่ปวดหัวอย่างเดียวกันเนี่ยนะแล้วไอ้ปวดหัวนี่บางทีถ้าไม่ปฏิบัติแนละ้วบางมีหลายคนไม่ปวดจะปวดเมื่อปฏิบัติแค่นะ จะปวดเมื่อปฏิบัติไอ้บางคนก็ไม่ปฏิบัติก็ปวดอย่างนั้นก็ไอ้ไอ้ไอ้จาตากรรมแง่มุมของเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปด้วยเหตุนี้วิญญาณที่เป็นกรรมที่ใช้คาว่าวิญญาณและระบุว่ากรรมมวิญญาณนี่เป็นกรรมหลังที่อาศัยกรรมแรกกิเลส และวิบากเป็นปัจจัยเราเอาพูดอย่างค่อนข้างจะเป็นพราหมณ์ว่าพูดอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างเป็นอบุค ล, โโลกกะโวหารโลกโวหารสมุตติโวหารอย่างง่ายๆหน่อยก็คือไอ้วิบากของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์เครื่องอาศัยของการประกอบกรรมเป็นทุนของการประกอบกรรมในรูปต่างๆใช่ไหมได่เป็นทุนของการประกอบกรรมทั้งบุญทั้งบาปในรูปต่างๆ และทั้งวิบากที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากด้วยกันทั้งสองอย่างผมขอเลยไปเลยท่านเนี่ยเหลือดูในการที่ยังห้านทีอหะเขาขอไว้ให้เลิกเทีย ง, ยงก็ไม่เป็นไรแล้วคราวหน้าพูดสูตรทํานองเดียวกันที่เหลือแทนได้นะสูตรนี้ก็กระจกไปแล้วกันจบแล้วก็เนื้อความยังมีต่อใน สองสูตรที่เหลือสามาราจะพูดตักไปก็จะได้ขยายความให้เต็มที่กว่านี้หน่อยอ